นะโมตัสสะพระขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังขังนามัสสามิบัณนี้จักได้แสดงธรรมกถาเสิบต่อไป จงพาการตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเธอหัวข้อที่เจ็ดสัตวโลกมืดบอดพระพุทธภาสิทธิอันทภูโตอยังโลโกตันเกธะวิปัสสติสกุโนชาละมุตโตะอปปสขายคัตติ แปลว่าสัตว์โลกนี้เป็นผู้มืดบอดมีน้อยคนที่เห็นแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์ได้เหมือนนกวงเล็บที่ติดขายแล้วหลุดออกจากขายมีน้อยฉะนั้นพระอัตถกถาจารย์อธิบายว่าโลกิยะมหาชนนี้ชื่อว่าเป็นผู้มืดบอดเพราะไม่มีดวงจักสุคือปัญญา คนในโลกนี้มีน้อยที่เห็นแจ้งในไตรรักษ์คนส่วนใหญ่ถูกขายคือมารรววรัไวายมีน้อยคนที่จะหลุดไปได้ส่วนมากถูกมารรวบแล้วชักพาไปสู่นรกที่ไปสวรรค์หรือนิพพานมีน้อยเหลือเกินต่อไปนี้จะได้อธิบายขยายความโดยถือเอาคำของพระอัฏกถาจารย์เป็นแนว โลกิยมหาชนนั้นคือคนส่วนมากผู้ยังคล่องอยู่ในโลกหรืออารมณ์ของโลกยังเห็นโลกสวยงามน่าอภิรมชมชื่นเป็นโอกาสให้มารย่ำยีได้สมดังพระพุทธองค์ทรงตัดเป็นพุทธภาษิตว่าสุภานุ ป, ปัสสิงหิรันตังอินทริเยสุอสังบุตังโภชนัมหิอมัตตัญญงกุศีตัง หินวิริยังตังเวปะสะหิติมาโรวาโตรุกขังปัทุพลังแปลว่ามารย่อมย่อมยีบุคคลผู้มีปกติเห็นอารมณ์ว่างามผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่พอประมาณในการบริโภคเกียรติคร้านมีความเพียรเลวเหมือนลมพัดเอาต้นไม้ที่ทุรพลฉะนั้น โลกิยะมหาชนนี้หลงพเพลิดเพลินอยู่ในโลกหลงแสวงหาไฝ่คว้าโลกิยารมต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญสุขเมื่อไม่ได้ก็เดือดร้อนได้ก็ติดอยู่จมอยู่ไม่อาจถอนตนได้ท่านเปรียบผู้เช่นนี้ว่าเหมือนผู้บอดเพราะไม่มีจักษุภายในคือปัญญาจึงไม่อาจมองเห็นสัจจะแห่งโลกได้ เขามีแต่ตาเนื้อสําหรับเห็นรูปต่างๆอันยั่วยวนให้หลงรักหลงชังมีคนจํานว น, นน้อยที่เห็นแจ้งเห็นแจ้งในอะไรตอบว่าในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งปวงส่วนมากมักจะเห็นเที่ยงสุขและตัวตนท่านเรียกการเห็นอย่างนี้ว่าวิปลาสคือเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือเข้าใจผิด วิปราสนั้นเป็นไปในเรื่องสี่เรื่องคือ 1. เห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. เห็นสิ่งเป็นทุกข์ว่าสุข 3. เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตน 4. เห็นสิ่งไม่งามว่างามสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนกายนี้ไม่งามปฏิกูลด้วยอาการต่างๆ ความเกิดขึ้นในเบื้องต้นความแปรปรวนในท่ามกลางความแตกสลายในที่สุดเป็นเครื่องหมายว่าไม่เที่ยงคืออนิจจลักษณะความทนไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าเป็นทุกข์คือทุกขลักษณะความไม่ได้ตามใจหวังเป็นเครื่องหมายว่าไม่ใช่ตัวตนคืออนัตตลักษณะความปฏิกูลต่างๆเป็นเครื่องหมายว่าไม่งาม ความจริงใครจะเข้าใจอย่างไรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คงสภาพอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของคนใครจะเข้าใจตะวันออกว่าเป็นตะวันตกก็หาเปลี่ยนทิศตะวันออกให้เป็นตะวันตกได้ไหมผู้นั้นสำคัญผิดเข้าใจผิดไปเองคือวิปลาสแต่ผลแห่งความเข้าใจถูกและเข้าใจผิดย่อมต่างกันความเข้าใจถู ก, ใ, ก, ใ, ถกให้สาเร็จประโยชน์ได้เร็ว ความเข้าใจผิดทำให้เสียประโยชน์เสียเวลาเช่นเดียวกับการเดินทางระยะทางที่จะไปใกล้ไกลเท่าใดก็คงอยู่เท่านั้นเมื่อใครเข้าใจถูกก็ไปถูกและไม่ต้องเสียเวลามากใครเข้าใจผิดก็ไปผิดหรือหลงทางต้องเดินวกวนุนอ้อมค้อมยืดยาวเกินกว่าระยะทางที่ควรเดินทำให้เสียเวลาเปล่าไปมาก สัตวโลกทั้งหลายนี้ต่างก็เดินทางไกลด้วยกันทุกคนทางไกลคือสังสารวัฏนี้เวียนเกิดเวียนตายกันอยู่ไม่รู้จักจบต่อเมื่อได้พบพระพุทธเจ้าได้สดับธรรมของท่านเข้าใจแจ่มแจ้งปฏิบัติตามจึงทาที่สุดชาติที่สุดทุกได้อย่างไรก็ตามแม้ในสมัยของพระพุทธเจ้าคนที่ได้เคยเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เห็นแจ้งก็มีน้อยอยู่นั่นเอง ส่วนมากวอกวรอยู่ในความมืดคืออวิชชามืดบอดเพราะตัญหาอุปาทานคนส่วนมากถูกมารร่วรัดไว้ถูกชักดึงไปสู่นรกมารในที่นี้กล่าวเจาะจงเอากิเลสสมานมหาชนติดอยู่ในบ่วงมารเหมือนนกติดตาข่ายน้อยตัวที่จะเอาตัวรอดได้นอกกนั้นเป็นเหยื่อของนายพรานมนุษย์ก็เหมือนกันมีน้อยคนที่จะไปสวรรค์ พระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบไว้ว่าคนไปสวรรค์เท่าเขาโคส่วนคนไปนรกเท่าขนโคต่างกันมากพระพุทธภาสิทธนินี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะปรารภธิดาของนายช่างหูคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จถึงเมืองอารวีชาวเมืองอารวีพากันต้อนรับและถวายทานแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข พระพุทธเจ้าอนุโมทนากถาอันปฏิสังยุตด้วยมรณสติภาวนามีอาติว่าท่านทั้งหลายจงเจริญมรณานุสติหรือมรณสติอยู่เสมอว่าชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่นอนเราจะต้องตายเป็นแน่แท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตของเราไม่เที่ยงความตายเที่ยง บุคคลไม่เจริญมรณสติภาวนาอยู่เสมอเมื่อความตายมาถึงเข้าย่อมสะดุ้งกลัวต่อความตายเหมือนคนเห็นอสรพิษฉะนั้นส่วนบุคคลผู้เจริญมรณสติอยู่เนืองนิดเมื่อความตายมาถึงเข้าย่อมไม่กลัวไม่สะดุ้งเหมือนคนเห็นอสรพิษแต่ที่ไกลมีโอกาสหลีกเลี่ยงหรือเอาไม้เขี่ยมันทิ้งไปเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายพึงหมั่นเจริญมรณสติ คนทั้งหลายอื่นฟังพระธรรมเทศนาครั้งนั้นแล้วก็แล้วกันไปไม่ได้เอาใจใส่นำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติตามแต่กุมารีผู้หนึ่งเป็นธิดาของช่างหูกฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วคิดว่าพระดํารัสของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงเราควรเจริญมรณสติเนืองเนืองตามคำสอนของพระพุทธองค์ดังนี้แล้ว จเจิญมระนัสติทั้งกลางวันกลางคืนพระศาสดาจากเมืองอาราวีสเสด็จไปยังเชตวันวิหารเมืองสาวบถีกุมารีธิดาช่างหูจเจริญมรณสติอยู่ทุกวันเป็นเวลาถึงสมปีเช้าวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจอุปนิสัยของสัตวโลกที่พระองค์ควรโปรดได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลของธิดาช่างหูแห่งเมืองอาราวีนั้น จึงพร้อมด้วยพระษาวกหลายรูปเสด็จไปยังเมืองอาราวีชาวเมืองอาราวียินดีต้อนรับอย่างคราวก่อนพระศาสดาประทับณอัคาระ ว, วิหารชาวเมืองอาราวีพากันไปเฝ้าถวายทานฟังธรรมฝ่ายกุมารีธิดาช่างโขกทราบข่าวการเสด็จมาของพระศาสดาแล้วมีจิตยินดีว่าพระโคดมพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของเราเป็นอาจารย์ของเรา พระองค์มีพระพักเพียงดังจันเพนสเสด็จมาแล้วและคิดต่อไปว่าเราเคยได้เข้าเฝ้าพระศ า, าสดาเมื่อสามปีก่อนโนนบัดนี้เราจะได้เห็นพระสรีระซึ่งมีวรณะดังทองคําของพระองค์จักฟังธรรมของพระองค์ซึ่งภัยราะจับใจยิ่งนักวันนั้นบิดาของนางได้กล่าวกับนางว่าลูกรัก พ่อรับทอผ้าที่คนอื่นมาจ้างทาไว้ผืนหนึ่งทอค้างไว้ยังไม่เสร็จเหลืออยู่อีกประมาณหนึ่งคืบพ่อจะให้เสร็จในวันนี้เจ้าจงกรได้หลอดแล้วนำมาให้พ่อโดยเร็วกุมารีคิดว่าเราใคร่ฟังธรรมของพระาศาสดาแต่บิดาสั่งให้กรอได้ทำอย่างไรดีหนอเธอปริวิตกต่อไปว่าหากเราไม่กรอได้ให้บิดาแล้วไปฟังธรรมเสีย บิดาจะพึงโบยตีเราเพราะฉะนั้นเราควรกรอได้ให้ท่านก่อนแล้วไปฟังธรรมภายหลังพวกชาวเมืองอารวีอังคาดพระศาสดาแล้วรับบาดรอฟังอนุโมทนาแต่พระศาสดาทรงดุษณีกล่าวกันว่าเมื่อพระศาสดาทรงดุษณีใครๆในโลกหรือเทวโลกก็ไม่อาจทำให้พระองค์ตรัสอะไรได้ไม่มีใครกล้าทูลทุกคนจึงอยู่ในอาการนิ่งเหมือนกันหมด ที่พระศาสดาทรงดุสณีนั้นเพราะทรงดำริว่าเราเดินทางมาสามสิบโยชนเพราะปรารภทิดาของชังหูบัดนี้เธอยังไม่มีโอกาสมาเราจะทำอนุโมทนาต่อเมื่อเธอมาถึงแล้วกุ ม, มารีกรอได้เสร็จแล้วเอาใส่กระเช้าเดินมายัางที่ที่พระศาสดาประทับอยู่พระศาสดาชะเง้อดูนางเธอทราบอาการนั้นว่า ทรงรอคอยการมาของนางอยู่นางเข้าไปภายในพระสศมีถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณนะที่สมควรแห่งหนึ่งทำไมพระศาสดาจึงต้องถึงกับชเงงมองตอบว่าเพราะทรงทราบแน่ว่ากุมารีนั้นจะต้องตายในวันนี้ความตายของปุถุชนมีคติไม่แน่นอนแต่เมื่อนางได้ฟังธรรมของพระองค์บรรลุโสดาปติผลแล้วย่อมมีคติแน่นอนไม่ตกต่า เธอจะไปบังเกิดในดุสิตพิภพพระาศาสดาทรงประสงค์จะสงเคราะห์เธออย่างนี้จึงทรงรอการมาของเธอหวังการมาของเธอพระาศาสดาตรัสถามเธอผู้ยืนอยู่ท้ายบริษัทว่าเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าข่านางทูลตอบเธอจะไปไหนไม่ทราบพระเจ้าข่าเธอไม่ทราบหรือตรัสถามทราบพระเจ้าข่าทูลตอบ เธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าค่าคนทั้งหลายฟังแล้วโพรธนากันว่ากุมารีนั้นพูดเล่นลิ้นกับพระศาสดาไม่ควรเลยเพื่อแก้ข้อสงสัยของคนทั้งหลายพระศาสดาจึงขอให้นางอธิบายว่าเพราะเหตุไรนางจึงพูดเช่นนั้นนางจึงทูลว่าข้อที่ข้าพระองค์มาจากเรือนของช่างหูพระองค์ย่อมทรงทราบดีอยู่แล้ว แต่ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าก่อนจะมาเป็นมนุษย์นี้ข้าพระองค์มาจากไหนพระศาสดาทรงประทานสาธุการแก่นางเป็นครั้งแรกว่าปัญหาที่เราถามเธอแก้ดีแล้วเพราะเราถามเธอโดยหมายว่าก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์เธอมาจากแหล่งใดนางทูลต่อไปว่าข้อที่ข้าพระองค์กําลังไปโรงทอหูกนั้นพระองค์ย่อมทราบดีอยู่แล้ว แต่ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าเมื่อตายแล้วจะไปไหนจึงทูลว่าไม่ทราบอันหนึ่งที่ว่าทราบนั้นคือข้าพระองค์ทราบแน่นอนว่าข้าพระองค์จะต้องตายแต่ไม่ทราบว่าจะตายในเวลาใดและที่ใดพระาศาสดาทรงประทานสาธุ ก, การแก่นางถึงสี่ครั้งว่าปัญหาที่ตัดนั้นนางตอบชอบแล้วแลแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตัดแก่คนตั้งหลายซึ่งประชุมกันอยู่ณนะที่นั้นว่า ท่านทั้งหลายไม่ทราบความหมายของคำที่กุ ม, มารีผู้นี้กล่าวแล้วจึงโพนธนาว่านางพูดเล่นลิ้นกับเราแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านทั้งหลายคนเหล่าใดไม่มีจักสุคือปัญญาคนเหล่านั้นย่อมเป็นเหมือนคนบอดส่วนผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นชื่อว่ามีจักสุพระศาสดาตรัสย้ำว่าสัตวโลกเป็นผู้มืดบอดมีน้อยคนที่เห็นแจ้ง น้อยคนที่ไปสวรรค์เหมือนนกติดตาข่ายแล้วมีน้อยตัวที่จะหลุดจากข่ายมีนัยยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อเทศนาจบกุมารีนั้นได้บรรลุโสดาปฏิผลกุมารีถวายบังคมพระศาสดาแล้วรีบเอาได้หลอดไปให้บิดาที่โรงทอหูกบิดาของนางกำลังนั่งหลับ จับฟืมหูอยู่นางไม่ได้สังเกตว่าบิดากําลังหลับหรือไม่ทรงกระเช้าหลอดได้เข้าไปมันกระทบปลายฟีมแล้วตกลงบิดาของนางตกใจตื่นฉุดปลายฟีมทอหูกต่อโดยไม่ได้มองสิ่งใดบังเอิญปลายฟีมคนอิสานเขาเรียกฟืมเนะี่ยข้างหนึ่งกระแทกอกอกุมารีอย่างแรงนางล้มตายลงทันทีไปบังเกิดในดุสิตพิภพ ฝ่ายบิดาของนางเหลียวมาดูเห็นธิดานอนตายอยู่เช่นนั้นมีความโศกเป็นกำลังคิดว่าคนอื่นใครเล่าจะาดับความโศกของเราได้เห็นแต่พระศาสดา ส, ดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจึงรีบไปเฝ้าทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและขอให้แสดงธรรมเพื่อดับความโศกพระตถาคตทรงแสดงอนะมฆะตขะสูตรคือสูตรอันว่า ด, ด้วยสังสารวัฏอันยืดยาว เป็นที่เวียนไหวตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายน้ำตาของสัตว์ทั้งหลายที่ร้องให้ในสงสาร น, นี้มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีกพระศาสดาตรัสปรอบนายช่างหูกว่าอย่าโศกนักเลยท่านร้องให้เพราะเหตุเดียวกันนี้มานานนักหนาแล้วในสังสารวัฏอันยาวนานนี้น้ำตาของท่านหลั่งออกมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสีเสียอีก ช่างหูกันเทาความโศกได้แล้วขอบรรพชาผสมบทในสำนักพระาศาสดาไม่นานนักได้บรระะลุอรหัตผล 8. ผู้ออกไปจากโลกพระพุทธภาสิทธังสาอาทิจปรปเทยันติอากาเสยันติอิทธิยานนยันติทีราโรกัมหาเชตวามารังสวาหนัง แปลว่าหงทั้งหลายย่อมไปในทางของดวงอาทิตย์ผู้มีฤทธิ์ย่อมไปทางอากาศด้วยฤทธิ์ของตนนักปราชญ์ทั้งหลายชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้วย่อมออกจากโลกอธิบายว่าข้อว่านกหงไปในทางของดวงอาทิตย์นั้นใช้ถ้อยคำให้พิเศษออกไปแต่ความหมายก็คือไปทางอากาศนั่นเองคือพระอาทิตย์ย่อมโคจรทางอากาศชั้นใด นกหงก็ฉันนันท่านผู้มีฤทธิ์ก็เหมือนกันสามารถไปทางอากาศด้วยฤทธิ์ของตนได้ฤทธิ์นี้เกิดด้วยกําลังฌานหรืออภิญญาสมาบัติอันอยู่เหนือวิสัยแห่งสามัญชนท่านว่าผู้มีกิเลสน้อยด้วยอํานาจฌานหรืออภิญญานั้นร่างกายเบาเหมือนสําลีหมายถึงความรู้สึกของท่านเองเมื่อน้อมจิตไปเพื่อล่องลอยในอากาศก็สามารถลอยได้ตามต้องการ คิดดูแล้วเหล็กและสัมภาระมือมาเช่นเครื่องบินมนุษย์ผู้ฉลาดยังสามารถให้ลอยได้เล่นไปได้ในทิศทางที่ตนประสงค์ก็ฉไหเล่าร่างกายซึ่งมีความหนักน้อยกว่าเครื่องบินมากนักจะล่องลอยไม่ได้ในเมื่อเจ้าของได้ฝึกกายจิตเต็มที่ตามสูตรที่ท่านผู้สําเร็จไปก่อนได้วางไว้ท่านที่ปรารถนาปฏิเสธควรได้ลองฝึกฝนตามสูตรของท่านเสียก่อน เมื่อฝึกผลตามนั้นแล้วไม่ได้ผลตามที่ท่านว่าไว้จึงค่อยปฏิเสธดูจะมีเหตุผลและน้ำหนักพอควรข้อความสําคัญที่สุดในพระคาถานี้คือนักปราดทั้งหลายชนะมารพร้อมทั้งพาหณะแล้วย่อมออกจากโลกอะไรคือมารอะไรคือพาหณะของมารมารคือสภาพที่ล้างผลาญคุณความดีตัดรอนความเจริญเข้าหน้าทําคนให้เสียคนในวิสุทธิมักภาคหนึ่งหน้าสอง อนุสตินิเทศตอนแก้สับพระควาว่าพระพุทธเจ้าทรงหักมานทั้งห้าได้จึงได้พระนามว่าพระความานทั้งห้าคือ 1. ขันธมารสองกิเลสมาน 3. อภิสังขารมาน 4. มัจจุมารหเทพบุตรมารขันธมานอธิบายแต่โดยย่อว่าปัญจขันธที่ชื่อว่ามานเพราะทำความลำบากให้บ่อ ย, อยเป็นเหตุให้เบื่อหน่าย ยิ่งปัญจขันธ์ของคนชรายิ่งน่าเบื่อหน่ายยิ่งนักมีแต่ความสุดโสมเป็นภาระอันหนักบางคนเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่นานปีทำอย่างไรก็ไม่หายเบื่อหน่ายหนักเข้าถึงกับฆ่าตัวตายก็มีกิเลสมารกิเลสชื่อว่ามานเพราะใครตกอยู่ในอำนาจของมันแล้วมันย่อมผูกมัดรัดลึงย่ำมยีห้ามหันให้เสียคนไปก็มีกิเลสเป็นผู้ชนะ ที่ทารุณต่อผู้แพ้ไม่ยอมปราณีเป็นสิ่งที่ทําลายความสุขและก่อบาปกรรมมากมายความชั่วต่างๆที่มนุษย์ทำลงไปก็เพราะกิเลสทั้งสิ้นกิเลสจึงเป็นมารอย่างแท้จริงอภิสังขารมารคือกรรมฝ่ายอากุศลชื่อว่ามารเพราะทำให้ทุรพลคือทำให้อ่อนกําลังในการประกอบกรรมดีอ่อนกาลังในการเดินทางให้ถึงนิพพานโดยเร็ว มัจจุมานมัจจุคือความตายได้ชื่อว่ามานอีกอย่างหนึ่งเพราะตัดรอนสิ่งที่ที่พึงได้พึงถึงหรือขุณวิเศษที่จะพึงบรรลุได้ในชีวิตนี้ตัวอย่างเช่นท่านดาบททั้งสองคืออาราละและอุทกะถ้าไม่ตายเสียก่อนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็คงจะได้บรรลุมรผลเป็นแน่แท้ เทพบุตรตมานั้นท่านหมายเอาเทพบุตรที่เป็นมิจฉาทิฐิมักชักชวนบุคคลให้ทําความชั่วมองในแง่นี้จะหมายถึงผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่ชักชวนในทางชิบหายก็ได้ได้กล่าวถึงมานห้าอันท่านจําแนกไว้ในคมภี์โดยสังเขปแล้วต่อไปจะกล่าวถึงพาหณะของมานหรือผลของมานหรือพวกพ้องของมานอะไรคือพาหณนะหรือพวกพ้องของมาน พูดถึงเรื่องนี้ทําให้นึกถึงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารที่โพธิมณฑลในวันก่อนตัดสรุในตำนานได้กล่าวว่ามีพญา ม, มารพร้อมด้วยเสนามากมายมีอาวุธครบมือมีเสียงกึกก้องมาเพื่อจะทําลายพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงเอาชนะได้ด้วยบารมีมีทานเป็นต้น พาหณะคือบริวารของมารก็คือกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆจำนวนมากมายเหลือจากขนาในตำราจึงเล่าว่าลูกสาวของพยามารคือนางตันหาราคาและอรดีไปช่วยพ่อในการรบกับพระพุทธเจ้าแต่ก็แพ้กลับไปนักปราดชนะมารพร้อมทั้งพาหณนะแล้วย่อมออกจากโลกในสมัยที่พยามารต้องการไปทำลายพระพุทธเจ้าที่โพธิมณฑนนั้นว่าขี่ช้าง ขรีมเมฆขลาเท้าหน้าของช้างจดบันลังของพระพุทธเจ้าเท้าหลังจดจักรวาลสูงเทียมเมฆข้อนี้ท่านแก้เป็นความโลภของพระองค์ที่หวนรละลึกว่าถ้าไม่ออกผนวดอยู่ครองขารวาจะมีอำนาจแผ่ภัยสารไปทั่วจักรวาล น, นักปราศชนะมานพร้อมทั้งพาหะแล้วย่อมออกจากโลกพ้นไปจากโลกความต้องการออกจากโลกนั้นเป็นทัศนะ และเป็นอุดมคติของนักปราดทุกคนทั้งนี้เพราะมองเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่บุคคลยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นก่อให้เกิดทุกเสียทุกครั้งไปความสุขไม่พอกับความทุกข์ซึ่งกระหน่ำอยู่ทุกเวลามิได้เว้นพระพุทธพาสิทธิ์นี้พระพุทธองค์ทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ณนะเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารพระภิกษุ30รูป มีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งภิกษุ30รูปมาเฝ้าพระศาสดาส่วนพระอานนทเทระก็มาเฝ้าพระศาสดาในเวลาอุปถาของท่าน mm hmm. เมื่อได้เห็นภิกษุ30มรูปอยู่ในที่เฝ้าจึงคิดว่า mm hmm. เมื่อพระศาสดาทรงกระทำปฏิสันฐานแก่ภิกษุเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วเราจึงค่อยเข้าไปดังนั้นแล้วหลีกไปยืนอยู่ที่ซุ้มประตู พระศาสดาทรงกระทำปฏิสันถานแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสธรรมกถาจนกระทั่งภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุพระอรหัตาผลแล้วเหาะไปทางอากาศเมื่อเห็นช้าเกินเวลาไปพระอาหน์จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าภิกษุ30รูปที่มาเฝ้าพระองค์นั้นไปไหนแล้วกลับไปแล้วอาหนนพระศาสดาตรัสกลับไปทางไหนพระเจ้าข้า ไปทางอากาศอานนท่านเหล่านั้นเป็นขีณาศพหรือพระเจ้าข้าถูกแล้วอานนเธอเหล่านั้นเป็นขีณาศพเพราะฟังธรรมกถาในสำนักของเราภาษาสดาตรัสต่อไปว่าหงทั้งหลายย่อมไปในทางแห่งดวงอาทิตย์ผู้มีฤทธิ์ย่อมไปทางอากาศด้วยฤทธิ์นักปราศชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้วย่อมออกจากโลกมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น